บัตนน้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องประสาทสัมผัสคือการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นทรงสอนให้ มีสติสมัมปชัญญะระลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆว่ากิเลสข้อนั้นได้เกิดขึ้นเรวก็ใช้สติสมัมปชัญญะนั่นเองระ ล, ลึกรู้ถึงโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะหว่ามีลักษณะเผาล้นทําให้เกิดความเร่าร้อนรุนแรงหากว่าปริมาณก็เพิ่มขึ้น ก็จะทำปฏิกิริยาต่อจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงทางอาการกายวิจาใจของบุคคลขึ้นไปโดยลำดับดัาเราจะเห็นว่าการเกิดในระดับนี้ทรงสอนในรูปของสังโยชน์ถึงตามปกติแล้วเป็นกิเลสที่สงบอยู่ภายในใจจะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก อยู่ให้รักอยู่ให้โกรธยู่ให้หลงอยู่ให้ประมาทอิเล่ ก, ก็จะเกิดขึ้นแต่ปริมาณที่เกิดขึ้นก็จะมีความยิ่งความจอในแต่ละขณะเนื่ด้วยคุณภาพทางจิตของบุคคลที่แตกต่างกันประการหนึ่งลักษณะของอารมณ์เสียแทงใจสูงต่ำไม่เหมือนกันประการหนึ่ง ปริมาณของธรรมะคือสติสมิธัญญะที่มีความมากความน้อยอีกประการหนึ่งดังนั้นท่านสาธาชนทั้งหลายจะสังเกตได้โดยใจเราเองว่ากิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นยามกระทบอารมณ์ในโอกาสที่แตกต่างกันนั้นอารมณ์อาจจะระดับเดียวกันเป็รูปเสียงกลิ่นรสประเภทเดียวกันแต่ในขณะนั้นสภาพจิต ของเราก่อนที่จะกระทบอารมณ์ไม่เหมือนกันเห็นวันนั้นจิตใจโปร่งเบาสบายไม่มีความขุ่นหมัวเศ้าบมองอะไรอยู่มากอารมณ์ระดับนั้นซึ่งเคยสร้างความขุ่นข้องมองใจเกิดขึ้นก็อาจจะไม่อาจสร้างได้ถ้ามีความรุนแรงระดับเดิมแต่บางครั้งความรุนแรงของอารมณ์ที่มากระทบใจอาจจะไม่แรงอะไรเท่าไร แต่พื้นใจเราผิดปกติอยู่ก่อนแล้วคือมีความหงดหงิดมีความกระดรูป ม, มีความรำคาญมีความอิจตกังวลอะไรมากระทบนี้กระทบหน่อยกิเลสมันก็พูขึ้นได้แล้วถ้าเราดูในส่วนของร่างกายก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับสุขภาพที่เป็นพื้นฐานสุขภาพประลาามัยของเราที่เป็นฐานโดวยจะเห็นว่าบางครั้งบางคนไวต่อการรับเชื้อโรคมาก กระทบหนาวนิดร้อนหน่อยเย็นนิดก็เป็นโรคละแต่คนบางคนขนาดนั้นกลับกบปรีกร้กระเปล่ากลับแข็งแรงโรคภัยไม่สามารถที่จะเบียดเลียนได้ตัวการตรงนี้ที่จริงมก็อยู่ทั้งตัวข้างนอกคือลักษณะของเชื้อโรคกับสภาพของร่างกายหากว่าเชื้อโรคข้างนอกรุนแรง ร่างกายเราแม้จะมีภูมิรานฐานโรคสูงก็อาจจะกระทบบ้างแต่ไม่มากนักแต่บางทีสภาพของโรคก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าร่างกายเราอ่อนแออยู่แล้วอยู่กับภูมิรันฐานโรคต่ำมันก็รับเชื้อโรคพวก น, นั้นได้ง่ายร่งกายกับจิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นอาศัยพื้นฐานหลัก ธรรมะในแนวปฏิบัติจึงมุ่งในการเสริมสร้างพื้นฐานหลักกระกายก็สร้างสุขภาพกายให้มีความแข็งแรงมีพลานามัยดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปัจจัยต่างๆนั้นเกื้อกูลต่อการที่จะต่อสู้ต้านทานกลักษณะของอารมณ์ตำนองต้นไม้ที่อยู่ในป่าจำนวนมากนะมันก็ช่วยกันปะทะความรุนแรงของพายุของลม บางรั้งก็มาแรงเล็กเกินแต่ก็แต่ละควายก็ช่วยแบ่งเบาความรุนแรงเหล่านั้นเอาไว้ลมไม่อาจสามารถจะหักโค่นในพังถลายได้แต่ต้นไม้จะอยู่เดียเด่ยวๆแม้จะเป็นต้นใหญ่ๆไม่มีใครช่วยเหลือแบ่งเบาความรุนแรงของลมที่มา ก, กระทบกอปะทะด้วยตัวเองตามลําพังก็ต้นทานไว้ไม่ได้ บางครั้งผู้เจ้าทรงสอนให้มองดูโดยเรียงไปตามลำดับเช่นคนที่มีปกติอยู่ด้วยการไม่ค่อยสำรวมระวังในการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจกนึกถึงอารมณ์ใจมักจะอ่อนไหวไปกำหนดไปให้ความต้องการแก่อารมณ์เหล่านั้นจึงกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส้จัต้อง หรือกำหนดตรงกันข้ามว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องเราดูใล้ๆจะหลบกิเลสแต่ที่จริงมันไม่หลบกิเลสมันไปเพิ่มกิเลสอีกตัวหนึ่งก็ทํานองใล้ายๆกับเราขับรถไปกลางถนนหากไปซ้ายแรงขวาแรงก็ตกถนนด้วยกันแต่ถ้าพยายามประคับประคองไว้คือไม่ไปทางขวาทางซ้ายมากเกินไป ันก็สามารถที่จะนำญาณภาณะเหล่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าไปปักลงไปในเรื่องใดเรื่อ ง, องนหนึ่งเช่นกำหนดด้วยความกาหนัดกิเลสสายโลภะ ก, ก็เกิดกำหนดว่าไม่สวยกิเลสสายโทสะก็เกิดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจถึงสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นกิเลสสายโมหะก็เกิดหรือเกิดเผือเรอพรั่งพลาด รวมหน้าของความสวยด้วยความไม่สวยหรือด้วยความไม่แน่ใจก็ตา่างกิเลสประเภทขาดสติประเภทเผลอเรอ่อประเภทปรางพลาดมันก็เกิดก็แสดงให้เห็นถึงการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ว่าไม่ใช่จะก็เกิดกิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งเท่า น, นั้นแต่อาจจะเกิดอี ก, กกิเลสประเภทหนึ่งแลลบกิเลสประเภทหนึ่งแต่ไปเกิดกิเลสประเภทหนึ่ง ทำนองคล้ายๆกับที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีเราแสดงคล้ายๆกับเราจะมีธรรมะอะไรเขาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นเขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ทำเขา้รับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เอาคล้ายๆจะประกาศตัวเองว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบซึงะไม่เกี่ยวข้องโดยมู่งเ่งเป็นลักษณะของธรรมะ แต่ถ้าเรามองย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าการได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจการงานที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมนั้นเป็นภารกิจที่าศาสดาคือพระพุทธเจ้าเราก็ถรงกระทำตลอด45ปีพระอานญั้งหลายทํากันจนนิพพานแต่ท่าน ท, ที่ท่านเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะท่านบนรรลุ ป, ประโยชน์สูงสุดแล้วแต่การกระทําเหล่านั้นก็เป็นทางการกระทำเพื่อเกื้อกูลแก่บุคคลอื พระมหาเถระระดับพระสารีบุตรพระโมคขลานะบางทีก็ต้องทํางานพระเนรตะเลิดเปิดเปิงไปนอกลูกนอกทางหลวงพ่อก็ต้องไปตามมาแนะนําตักเตือนว่ากราบปลุกปลอบสร้างขวัญสร้างกำลังใจท่านเหล่านั้นให้หันมาในทางที่ถูกต้องนี่แสดงว่าภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นจากความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสัตว์อื่น เรื่การแสดงไม่ยอมรับเป็นไม่ยอมรับทำมไม่ยอมรับผิดชอบเรื่องอะไรที่จริงก็เป็นอาการของวิภาวะตันหาเราดูแล้วคล้ายๆจะไม่มีการมาตันหาไม่มีภวะตันหาแต่จริงแล้วมันก็เป็นอาการของวิภาวะตันหาแต่ยิ่งนไปกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการโอ้อวดการเสแสร้งการมารยาการแข่งดีการประชดไปชันการกระทบกระแทกอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็จริงไม่ใช่ดู ง, ง่าย เพราการเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสหรือว่าเป็นอาการของธรรมเพราะแนวของพรษษะุทธศาสนาจึงทรงใชก้การมารู้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมันเป็นยังไงในขณะนั้นในแต่ละขณะก็ยดูเห็นตามความเป็นจริงดอกนั้นกิเลสมันเกิดก็คือมันเกิดการกําหนดอย่างนี้กิเลสประเภทนี้เกิดมันหลบไปอีกอย่างหนึ่งกิเลสมันเกิดอีกหรือเปล่าถ้ากิเลสเกิดอีกก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นแหละ มันต้องหลบไปแล้วปลอดจากกิเลสหรือส ง, งบจากความริษยาความแข็งดีความเกลียดคร้านความโกรธความบึงหวงมายาเสียแซงอะไร ต, ะต่างๆเขาหลบไปมันก็หลบไปได้แต่คนที่จะรู้ในขณะนั้นๆว่าจริงๆแล้วใจเราในขณะนั้นถูกรวมรุมด้วยกิเลสหรือว่ามีธรรมะเป็นฐานใจก็บุคคลผู้นั้นเองจะเป็นผู้รู้ เป็นคุณลักษณะของธรรมะที่เหมือนกับสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายทือความจริงดีแท้จริงนั้นคนคนนั้นแหละจะเป็นคนรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงหอเมเหนียนยังไงคนที่ได้ลิ้มด้วยลิ้นได้สูดดมด้วยจมูกนั่นเองจะเป็นคนรู้แต่คนอื่นต้องการรู้มันก็ต้องทำในลักษณะอย่างเดียวกัน พลักษณะการไม่สำรวมอินทรีย์จึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องของรักรั ก, รกใคร่ๆเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องของความโกรกความไม่พอใจความหมงุดหงิดความงงงายไร้เหตุผลหรือความประมาทพลาดพรัง้งความเผลอเลยก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นที่จริงีเดียกก็เกิดขึ้นพอถ้าเกิดขึ้นในจุดนี้มันก็กลายเป็นอาการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอินทรียสุอสังมุตังคือไม่สำรวมระวังอยากรู้อยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้อง งดหงิดเมื่อการเมื่อเมื่อต้องดูต้องฟังต้องรวมต้อ ง, دم, องลิ้มต้องจับต้องก็แสดงว่าใจไม่สงบด้วยก่ประเภทแรกมันก็ไม่สงบด้วยแรงราคะโลภะประเภทที่สองมัก็ไม่สงบด้วยแรงของโทรสั่งแรงของโกรธะความโกรธการสมรวมระหว่ั ง, ททง ใ, ในการาดูการเห็นเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นอะไรจะเป็นคนตามใจตัวเองคือจะไม่รู้จักประมาณในการ บริโภคหรืออุปโภคการร่วมใช้สอยการแสวงหาปัจจัยสี่การเป็นจะเข้าเจ้าของการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสีมันก็ไม่รู้จักคําว่าเต็มคำว่าอิมอ่มคำว่าพอคอําว่าจุแล้วความทุกข์ต่างๆมันก็ติดตามมาเจนสมมุติว่าคนมีฐานะบางคั้งร่ารวยมีบ้านในกรุงเทพในต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศ หรืนี่มีตั้งหลายหลายจังหวัดดูแลคล้ายๆจะมีความสุขแต่ที่จริงมันก็มีความทุกข์นอนอยู่ที่หนึ่งใจมันก็วิ่งสายไปห่วงไปห่วงไปใหญ่ฝนตกอีกภาคหนึ่งนะเกิดแผ่นดินไหวอีกภาคหนึ่งเกิดน้ำหลากอีกภาคหนึ่งเกิดแท่งแร้งอีกภาคหนึ่งบ้านเราอยู่ทุกภาคโดยก็เดือดร้อนเพราะปรากฏการธรรมชาติเราเนะั้น ก็จะเกิดเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันรายแก่บ้านเรือนของเราที่สร้างไว้ในภาคันนั้นนั้นก็คือเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจที่กระสันอยากมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความเพียรพยายามที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสมันจะหยอดา็นี้เราสังเกตว่าความสุขเนี่ยมันก่อให้เกิดอันสาทะคือยินดี และ เ, เพื่อเพลิดเพลินเราจึงแสวงหาสุขโดยการเที่ยวการนอนการพักผ่อนการสนทนาแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความทุกข์มาต้องลงทุนต้องนั่งลังกขด ล, ลังแข็งต้องต่อสู้กับมันประสาสดาของเราต่อสู้กันเกือบจะสิ้นพระชนก็แสดงว่า ผลทั้งปวงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความเพียรพยาบแม้แต่องศาสดาเองก็ไม่ยกเว้นจะต้องเดินไปบนเส้นทางสายนี้งผลคนที่ติดสุขอย่างนี้มีความกำหนัดเพลิดเพลิอพอนอย่างนี้ก็จะกลายเป็นอาการสยบติดเพราะลักษณะของสังโยต่เราพูดกันมาโดยธรรมด้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีอาการสยบติดตั้งแต่ข้อแรกมาจนที่พูดมาเนี่ยมาถึงข้อที่8ปดครับ ข้อที่เจ็ดมันก็มีการสยบติดอยู่เท่านั้นเช่นสยบติดในความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาก็ยึดติดซ้อนๆซๆกันอยู่หลายชั้นสางได้ยากแก้ไขได้ยากถ่ายถอนผ่อนคลายลงไปได้ยากและที่สํำคัญยยิ่งคืออัตรามันใหญ่ขึ้ น, นเรื่อยจะนั่งจะไปจะเดินในที่ไหนก็พร้อมที่จะมีโลภะโทสะมันนําไป ที่เรารู้สึกเราใหญ่เโตมากๆจะไปไหนคนเดียวก็ไม่สมศักดิ์ศรีไม่มีสง่าราศรีมันต้องมีบริษัทบริวารห้อมล้อมมีต้องมีการเคลียร์พื้นที่มีการกองระวังหน้าระวังหลังระวังข้างเครื่องใช้ไม้สอยทรัพยากรถูกใช้ไปเพื่อการนี้มากมายหลายกองที่จริงมันก็เรื่องอัตตาของเราคนเดียวแล้วไปถึงก็ต้อหวังการได้รับรองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแสดงถึงใหญ่เต็มใจไขว่คว้าไปได้วยความจาก ถ้าได้เราก็อยากริงๆขึ้นไปก็จะมีการเทียบเคียงว่าที่นี้ตอนรับอย่างนี้เราก็สู้ที่นี้ไม่ได้ที่นี้ก็รับรองได้ดีกว่าที่นี้ก็สู้ที่โน้นไม่ได้มันก็คว้าไปเรื่อยๆเอาที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆปรากฏว่าที่สุดมันไม่มีใจก็กระสัญอยากในอารมณ์นั้นพอเกิดไม่ได้ตามที่ตัวต้องการกิเลสประเภทโทสะมันก็เกิดเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันที่จริงมันเริ่มมาจากอัตตา เรายึดติดในความเป็นอัตตาและควายคว้าสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเพื่อเสริมอัตตาถ้าได้เราก็คว้าไปอีกคว้าเท่าไหร่จะพอมันก็พอไม่ได้เพราะากระแสของมันเป็นอย่างนั้นเองกระแสมันแบบไฟแบบน้ำไฟไม่ไ ม, ไม่ไม่อิ่มด้วยเชือ้อถ้ามีเชือ้อไฟเผาไหม้ตลอดระยะเวลากี่ร้อยกี่พันปีก็ได้ไม่ดับ กระแสน้ำมันก็เป็นเช่นนั้นมันก็ไหลลงสู่สมุทรตกเท่าไหร่ก็ได้ก็ไหลลงไปสู่มาเสมอก็ไม่ล้นฝั่งออกมามันก็อยู่ที่ริมฝั่งนั่นเองเราแสดงว่าสามารถที่จะรับน้ําได้ตลอดไปแต่ว่าใจนั้นยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างที่ทรงแสดงวันอาทิตยนั้หาสมาดดนตัแ ม, ม่น้ําเสมอด้วยตัาหาไม่ ล, ลักษณะใจเหล่านี้ก็แกว้งไปด้วยอํานาจของกิเลสเรื่อย แม้แต่เรื่องของความเครืร่องแครงสงสัยปใจลงไปไม่ได้ไม่มั่นใจมันก็กลายเป็นพวกลมเพีลมพัดกันแล้วแต่ใครจะว่าเราจะแกว่งไปตามคําพูดการเสนอแนะการบอกกล่าวการชี้แจงของบุคคลเหล่านั้นแล้วเราก็สงสัยเยอะเรื่อยปรากฏว่าเรื่องเดียวกันคนพูดหลายคนแต่พูดไม่ตรงกรรันไจใจเราก็แกล้ง ปากลงไปไม่ได้เลยเอ๊ะ น, นี่ก็น่าฟังเอ็ น, นี่ก็น่าคิดเอ็ น, นี่ก็น่าสนใจเอ็ น, นี่ก็น่าเชื่อถือแต่เราเองปรากฏว่ายังสลัดความเครียดแกร่งสงสัยไม่ได้นั้นแสดงก็เป็นอาการของความยึดติดแต่บางทีเราเห็นม่ายึดติดลึกๆมันลึกลงไปเรื่อ ย, เ, อยเช่นการถือมั่นด้วยหลักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเราจะพบว่า แม้แต่เรื่องที่มันถูกต้องเนี่ยแต่ถ้ายึดติดว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องคือหมายความมายึดติดตรงนี้แล้วปฏิเสธอีกแข่งเน่งอาการของจิตมันเป็นยังไงมันจะเป็นราคะโลภในจุดหนึ่งแต่จะเป็นโทสะในจุดหนึ่งถึงความคิดเหล่านี้มันเกิดเป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนพระเจ้าตรรุษใหม่ๆทันทีคันะอคิเว ส, สนะ ท่านมีความเห็นโดยอาศัยตัวท่านเนี่เป็นฐานในการตัดสินว่าอะไรก็ตามที่ท่านมีความเห็นว่าไม่ควรแก่ท่านท่านก็ไม่ชอบใจสิ่งนั้นผู้เจ้าก็ทรงจำแนกให้ดูว่าที่จริงความเห็นเหล่านี้มันสามารถแยกได้อีกโดยการกำหนดตัวเองเป็นฐานในการชี้ผิดชี้ถูกสิ่งเหล่านันคนประเภทหนึ่งสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจ มันก็มีความพอใจสยบติดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตัวเองชอบใจดีหรือไม่ดีมันก็ไม่แน่เพราะแม้แต่ที่ดีก็ไปยึดติดมันไม่ได้เช่นสมมติเราต้องการจะเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งเช่นต้องการจะนั่งเครื่องบินไปลงที่เชียงใหม่แล้วก็ไปต่อที่พะเยาเครื่องบินมานั่งสบายกว่ารถยนต์ พอถึงสนามบินแล้วมะยอมลงมันนั่งสบายดิเพราะก็ถึงพะเยาไม่ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้จะดีมันก็ยึดติดไม่ได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องละทั้งดีทั้งชั่วเราจึงเรียกพระหันว่าเป็นบุญยะปาปะไปโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปบุญมันก็ติดมันไม่ได้พรติดบุญมันก็เป็นภพ บ, บุญมันเป็นสังขาร สังขารก็ปรุงแต่งปงแต่งก็สร้างพบสร้างชาติมันจะประณีตยังไงมันก็เป็นพบพบมันก็ต้องเป็นชาติชาติมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องหมุนว น, นอยู่ในจังสาราไว้เพรพุทธศาสนาจึงไม่สอนให้ยึดติดแม้แต่ในตัวดีในตัวบุญแต่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงญาณภาณะที่เราจะต้องอาศัยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเพื่อจะก้าวไปสู่อีกญาณลําหนึ่ง แล้วก็จะเดินทางต่อไปเพื่อสู่อีกจุดหนึ่งเพราะลักษณะของจิตที่จุดติดในรูปแบบเช่นยกตัวอย่างจะเดินกรรมฐานกรรมฐานที่จริงอนเนกกระปรยายคืออารมณ์เยอะแยะพระเจ้าทรงสอนไว้เอาไงก็ได้เพราะว่าตัวรูปแบบนมันมีความหลากหลายแต่มันจะตรงกันในเชิงที่เป็นเนื้อหามันเหมือนกับเรากินเกลือคือเกลือมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน แต่ทุกคนพอสัมผัส้วยลิ้นแล้วก็คือเค็มมันอาจจะเป็นน้าอาจจะเป็นเม็ดเล็กเป็นใญอาจจะเป็นผงเรออาจจะปนอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นเราเห็นความแตกต่างของเกลือแต่เป็นการแตกต่างโดยรูปแบบโดยพยัญชนะแต่พอเราแตะลิ้นนี่จะรู้เหมือนกันพรนธรรมปฏิบัติก็จะเป็นเช่นนั้นคือรูปแบบจะว่าไว้ภากไป ปัญหาว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนิวรณส ง, งบลงไหมในขณะที่นิวรณส ง, งบเนี่ยธรรมะเป็นฐานใจเพิ่มขึ้นไปถ้าเราเห็นสิ่งหลานี้ปรากฏภายในใจคือความร้อร้อนรุนแรงของกิเลสมันลดลงไปความส ง, งบเย็นความปีติปราโมทย์ความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมะก็เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าในขณะนั้นเราก็ปฏิบัติถูก ใช้บทอะไรเป็นภาวนาไม่ได้แปลกอะไรพระอระหันต์ในยุคต้นก็ตั้งก็เป็นได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเราจึงพบ ว, ว่าบางองค์ดูน้ำล้างเทา้าที่เมื่อท่านล้างเท้าแล้วมันไหลไปแล้วก็ถูกดูดซึมไปภายในดินท่านก็คิดในแง่ของอะไรก็ได้แง่ของชีวิตที่เกิดแก่ตายแง่ของสังขารที่เกิดแล้วก็ดับไป มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมายความว่าน้ำที่โรเทรไปมากเนี่ยมันจะไหลไปได้ไกลแต่ในขณะเดียวกันทุกขณะที่แกไหลไปมันก็ถูกดูดซึมไปภายในตินแล้วก็เลือนหายไปภายในตินปริมาณยิ่งมากขึ้นยิ่งไหลไปไกลแต่ในที่สุดมันก็หมดคือถูกซึมไปหมดปริมาณยิ่งน้อยจะไหลไปได้ช่วงสั้นๆแต่ในที่สุดก็ดับไปก็กลายเป็นรูปของชีวิต วิชีวิตของคนก็ศาสต์ทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่จะจบลงที่ความตายเมือ น, น้ำทั้งหลายที่เทลงไปแล้วในสุดมันก็ไหลลงไปในติศเห็นความตายรออยู่ข้างหน้าจะมาถึงเมื่อไรมาถึงที่ไหนมาถึงโดยวิธีใดใครไปก่อนหลังใ ค, ใครไปก่อนใครใครไปหลังใครที่จริงมันก็ถือตายเดีวกันความตายต้งถือว่าเป็นของจริง นั่นคือการมองในเชิงที่เป็นผลมันจะเกิดผลเป็นความเร้าร้อนลดลงความสงบเย็นเพิ่มขึ้นโดยรูปแบบวิธีการไม่ได้ไม่ได้มีรูปแบบวิธีการว่าต้องอย่างนั้นเท่านี้อย่างอื่นไม่ใช่แม้แต่พระรยบุคคลที่เราดูดูตอนต้นๆเดี๋ยวเราคุ้นๆเลยจะเห็นว่าแต่ละ ร, รูปต้งงฟังเทศคนละเรื่องกันพระปัญญวคีฟังธรรมจักอนัต ราณจะดินฟังเรื่องอาชิตพวกเหล่านั้นก็ฟังอนุุกิขาญาศสัตติดูแลยแค่จะต่างกันแต่พอจริงๆแล้วกิเลสมันหมดเหมือนกันท่นานบรรลุญาณบรรุอาสวะเหมือนกันดังนั้นทมทั้งหลายก็ทรงสอนในแนวที่แม้ยึดมั่นหรือมั่ ไม่ให้ยึดมั่นถือมันทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีแต่ว่าระดับนั้นเป็นระดับของโลกุตระส่วนระดับโลกิยะจะสอนในรูปของเครื่องอาศัยเช่นว่าบุญญานิปรโลกัสเมิงเป็นชาวนติปา น, นนะิบุญเป็นที่พึ่งอาศัยอาศัยแบบไห น, นอาศัยแบบรถรนแบบรถแบบเรือแบบเครื่องบินรถไฟอาศัยตราบเท่าที่ต้องอาศัย ได้ลองสังเกตว่าคําว่าอาศัยตรงนี้ไม่ใช่อาศัยตลอดอาศัยยานอย่างใดยงงง อ, อย่างหนึ่งตลอดเราจะใช้เดินไปขึ้นรถยนต์จากรถยนต์ไปล ง, ling, ลงรถยน์แล้วไปขึ้นรถไฟลงรถไฟแ like ล้วไปขึ้นเครื่องบินลงรถบไฟลงเครื่องบินล lived, แล้วไปขึ้นรถยนอะไรเราก็เปลี่ยนไปเรืหมายความมาในช่วงที่เราต้องอาศัยเครื่องบินเราก็เครื่องบินตรงนั้นก็เป็นที่พึ่งพํามนักอาศัยของ ถึงรถยนต์รถยนต์ก็เป็นที่พึ่งความละอาศัยของเราแต่ทั้งหมดก็ต้องจริงเมื่อต้องการจะไปสู่จุดหมายปลายทางแต่การที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือควรจะทําทอย่างไรทั้งสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่ามันเป็นวิธีคล้ายๆกับธรรมชาติอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเป็นตัวสั่งการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญานั่นเองแต่ถ้าขาดตรงนี้เราจึงเห็นภาพของคนบางทีนั่งมือลอยซึมเศร้าผลตกแดดออกไม่รู้เรื่องนั่งตกักผลนั่งตึงแดดเรียกแล้วแห้งๆ แ, แล้วเปียกแสดงว่าขาดสติสัมปชัญญะามากๆไม่สามารถที่จะปลุกตัวให้ลุกขึ้นมาแล้วก็หลบผลหลบแดดไ ด, ได้แต่คนบางคนที่มีสติปัญญาไว แมนะ้มีเขาว่าฝนจะตกมีเขาว่าแดดจะออกมีเขาว่าน้ําจะหลากมาเนี่ยมันหลบได้แล้วเตรียมตัวได้แล้วก็เป็นวิถีแบบธรรมชาติแบบตรงเนี้ยเรารู้ขึ้นมาได้ยังไง ร, รู้เพราะการสะสมปัญญาไว้เราสังเกตเขา้าว่าฝนจะตกมีเขาว่าเกิดจะเกิดพายุมีอะไรแต่อหรแลเราก็ หลบหลีกจะได้ตั้งแต่ตอนทตวรบางคนอาจจะหลบเมื่อฝนเริ่มปรอยลองอมาบางคนอาจจะหลบ ก, ก่อนหน้านั้นไปแล้วบางคนอาจจะหลบเมื่อตอนที่ฝนสาดเปียกไปรูกนันนะนั้นแสดงถึงความยิ่งความหยอดของสติสัมจัญะก็พอๆกับคนที่นั่งแม้แต่ฝนตกมายังไม่ได้ลุกขึ้นเราเห็นว่า กำลังของสติสัมปจนะที่จะคุ้มครองบุคคลให้ปลอดภัยในขณะนั้นนั้นมันต่างกันเยอะคนประเภทที่ปล่อยฝนตกตกเปียกไปตั้งนานยังไม่ยอมลุกขึ้นแสดงว่าอาการหนักมากมากแต่ว่าคนที่หลบไปก่อนที่ฝนจะตกลงมาเพียงแต่อาศัยลมเย็นหรือว่าอ้าวๆ อ, อะไรเาากิดมาก็เห็นถ้าไม่ดีก็หลบไปก่อนนะนั่นแสดงให้เห็นว่าสติสัมปญนะ ที่อยู่ภายในใจเรามันก็มีความยิ่งมีความหยอดแตกต่างกันแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาตามที่เขามีถ้าเขามีมากก็กระทำหน้าที่ได้เร็วแล้วเขามีน้อยก็ทําหน้าที่ได้ช้าหน่อยแล้วก็น้อยหน่อยแต่นั้นก็คืออาการของธรรมะตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญ า, ญญาจึงเป็นหลักในทุกๆเรื่องในการเจริญกรรมาฐานในการดูจิตในการวินิจฉัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ มันก็ต้องอาศัยสติสามัญญาแล้วก็ความเพลียนพยายามในในวการปฏิบัติระลึกรู้จึงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรือท่าทางในการนั่งอะไรแต่ดูจิตในแต่ละขณะที่กระทบอารมณ์เราจะนั่งอยู่ในรถในเรือจะเดินจะอะไรก็ได้ก็ดูว่าในขณะนั้นจิตใจมันเป็นยังไงบ้าง ในกรณีที่ทรงสอนให้ดูจิตเฉพาะช่วงที่เป็นกิเลสที่มีกิเลสในวปฏิบัติก็อยู่ในแนวเดียวกับเรื่องของจิตานุปัสสนาเพียงแต่ว่าจิตานุปัสสนานั้นดูหมดดูจิตว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะหรือเป็นกลางกลางจะดูบนหมดเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้น คุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงมันก็เหมือ น, นคุณสมบัติเหล่าอื่นที่เราใช้ในกรณีอื่นคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารหรือทํางานเอารับประทานอาหารก็ได้ลักษณะของอาหารนั้นแตกต่างกันแต่วัตถุประสงค์ของอาหารเหมือนกันคือกระตัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงา น, งานได้นั้นคือวัตถุประสงค์โดยรวมของการบริโภคอาหาร แต่วิธีในการบริโภคเราอาจจะใช้อะไรอ่ะอาจจะใช้มือก็ได้ใช้ช้อนก็ได้ใช้ซ่อมก็ได้ใช้ปีก็ได้ใช้มือใช้ช้อนก็ซ่อมก็ได้หรือใช้ซอบซ่องกับมีดก็ได้มันใช้วูดิไปหมดแต่ปัญหาว่าใช้เป็นในแต่ละขณะตรงนี้ใช้อะไรกับอะไรตรงนี้ใช้อะไรตรงนี้ใช่ยังไงอะไรเป็นตัวระลึกล่ะสติสัมปชัญญะความเพียรถ้าความเพียรไม่ช่วยมันก็ไม่เดินไม่มีการหยิบช้อนหยิบซ่อมหยิบมีดโดยใช้มือ ในขณะที่ทมก็มีสติสมัมปชัญญะเราเริรู้จะทำอย่างไรจะทำโดยวิธีใดจะตัดอย่างไรนะแล้วเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องผลประโยชน์จากอาหารมันก็เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยที่จริงมันมีอยู่แล้วในตัวเราเพียงแต่ว่าปริมาณมากไม่มากพอที่จะแก้ไขปัญหาบางระดับแต่ปัญหาทั่วไปที่จริงเราก็พอแก้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ระดับอะไรระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสที่สร้างปัญหานเหล่านั้นขึ้นมาพระารรมในส่วนที่เป็นกุศลธรรมจึงทรงสอนในรูปภาวนาคือทาให้มีขึ้นในเป็นขึ้นในเพิ่มพูนขึ้นจนถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องดังนั้น ตอนนี้นิายก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบ ส, สุขต่อไป